เทวดาสรรเสริญการมาเกิดเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนาเพราะสุขในร่างมนุษย์อยู่ใกล้ชิดกันกับความทุกข์สุขพร้อมจะกลายเป็นทุกข์สามารถพิจารณาความไม่เที่ยงถอนจากความยึดหลงได้ง่ายความสุขเหมือนสวรรค์ความจริงเป็นความสุขของมนุษย์เราเกิดขึ้นในร่างมนุษย์ที่รู้สึกเหมือนสวรรค์ก็เพราะเป็นสุขล้นหลาม แตกต่างจะระดับความสุขที่เกิดเป็นปกติความสุขเหมือนสวรรค์อาจเกิดขึ้นขณะอยู่กับบุคคลอันเป็นที่รักมีความสมัครสมานปรองดองมีความอบอุ่นกายมีความเยอกเย็ยนใจความสุขเหมือนสวรรค์อาจเกิดขึ้นขณนะสวดมนต์นั่งสมาธิจิตมีความสว่างเปิดแผ่จิตมีความตั้งมั่นบรรดาปิติอันเกิดแต่วิเวก สุขในร่างมนุษย์เป็นสุขที่ทางพุทธนับว่าประเสริฐเพราะอยู่ใกล้ชิดกันกับความทุกข์พร้อมจะแปลสุขเป็นทุกข์พร้อมจะแปลทุกขเป็นสุขจึงสามารถนํามาใช้พิจารณาความไม่เที่ยงคลายความยึดติดในเหตุแห่งสุขทั้งปวงเพื่อบรรลุถึงบรมสุขอันเกิดจากการดับเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงแตกต่างจากความสุขแบบสวรรค์ของจริงซึ่งมาจากกายอันเป็นทิพย์เสษสุขอันเป็นทิพย์ แค่ไม่มีเหตุขัดใจให้จิตหม่นหมองเป็นทุกข์เลยจึงไม่อาจดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ความยึดสุขได้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมในพระไตรปิฎกจึงแสดงว่าเทวดาสันเสริญการมาเกิดเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนาเห็นมนุษยยภูมิเป็นสุขติภูมิที่น่ามาหน้าอาศัยเป็นแดนเกิด